การปฏิบัติธรรมคือการแก้กรรมใช่ไหมแก่นของการปฏิบัติธรรมคือมุมมองอันเป็นภายในมองว่ากายใจไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นกรรมแรกสุดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติธรรมจึงเป็นมนโนกรรมคือทําความเข้าใจทําไว้ในใจตลอดจนจงใจมองว่านี่อนิจจัง ไม่เที่ยงจริงๆนี่อนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงๆถ้าไม่มีมุมมองแบบนี้ไม่จงใจมองแบบนี้จนกว่าจะรู้แจ้งเป็นปกติก็ไม่นับเป็นการปฏิบัติธรรมตามแบบฉบับเจริญสติของพระพุทธศาสนาปัญหาคือเมื่อพูดถึงการปฏิบัติธรรมคนมักนึกถึงการพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก บางทีปฏิบัติธรรมอยู่2 0 3สปีสิ่งที่ได้ไปทั้งหมดคือการวนเวียนอยู่กับการแกล้งทมเป็นคนดีหรือสร้างภาพผู้เชี่ยวชาญการเกรงกำลังสติเท่านั้นรองลงมาคือมีคนจำนวนหนึ่งที่พยายามดีขึ้นจริงๆด้วยวิธีหักด้ามรั้ด้วยเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลับตัวจากหลังมือเป็นหน้ามือเอาเดื อ, ดอ ซึ่งก็มักพบว่าเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตกลงกับตัวเองว่าจงดีขึ้นเดี๋ยวนี้เหมือนกลายเป็นสร้างสมรภูมิทางตัวตนขึ้นมาตัวตนใหม่อยากดีขึ้นปรับปรับตัวตนเก่าอยากยื อ, อะไรไม่ดีไว้เหมือนเดิมตัวตนใหม่อยากคิดดีมองดีตัวตนเก่าอยากคิดร้ายมองร้ายตัวตนใหม่อยากพูดนุ่มนวล ตัวตนเก่าอยากพูดเ้าเหาขนหนแล้วก็ไม่มีตัวตนไหนยอมกันหลายคนเหนื่อยเปล่ากับการรบราฆ่าฟันทั้งตัวตนอีปีผ่านไปก็ยังรบกันไม่เลิกราอยู่อย่างนั้นจริงๆถ้าแค่ตั้งมุมมองไว้ถูกปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องแม้ไม่เหนื่อยสร้างภาพภาพก็จะดีเองออกมาจากออร่าแห่งความสุข และแม้ไม่เหนื่อยอยากรบกับตัวตนสองจิตสองใจก็จะมีตัวตนใหม่ที่พัฒนาขึ้นเองจากความรู้สึกว่าไม่มีตัวตนอยู่จริงๆนั่นเพราะการปฏิบัติธรรมที่ถูกทิศถูกทางจะช่วยให้รู้ตัวขึ้นมาได้หลายอย่างชนิดที่ไม่เคยรู้มาก่อนตัวอย่างที่อาจช่วยให้เห็นภาพได้ชัดก็เช่นบางคนแกล้งเรียกชื่อคนอื่นผิดประจําเพื่อทําให้ตัวตนของใครต่อใคร ฟังดูผิดปกติหรือกระทั่งหยาบโลน่าขบขันเมื่อปฏิบัติธรรมกระทั่งสติเจริญขึ้นเห็นความจงใจลดทอนตัวตนคนอื่นเห็นองค์ประกอบของแรงขับดันให้เกิดความจงใจชนิดนั้นนักปฏิบัติธรรมบางคนอาจพบว่าตัวเองชอบมีจิตคิดทะลึ่งเล่นไปอย่างนั้นเองไม่ได้มีอะไรแอบแฝงมากไปกว่านั้นแต่บางคนต้องการสร้างความเจ็บช้ำน้าใจ แบบหาพวกไปรังแกคนด้อยกว่าขณะที่บางคนอาจค้นพบว่าตัวเองมีปมด้อยบางอย่างหรือมีความรู้สึกด้อยค่าบางประการจึงเกิดจิตคิดดัดแปลงตัวตนคนอื่นให้ดูตลกโปกหาหรือลดทอนคุณค่าตัวตนคนอื่นเพื่อชดเชยความรู้สึกไม่เท่าเทียมทางตัวตนลงบ้างหลังจากเกิดสติรู้ปมภายในของตนจิตจะฉลาดขึ้น เกิดความสลดสังเวชเห็นปมด้อยที่มีอยู่ตลอดจนเห็นปมเคืองที่พยายามสร้างขึ้นมาจากอากาศาธาตุรู้ซึงว่าปมในใจทั้งหลายเป็นทุกข์และเกิดอาการถอนจากความยึดติดเหล่านั้นอาจจะทีละน้อยหรืออาจจะปุบ ป, ปับฉับพลันและนั่นเองจะเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างแท้จริงจึงค่อยเรียกว่า เป็นการโยกย้ายเส้นทางกรรมใหม่อย่างแท้จริงไปด้วยสรุปคือการปฏิบัติธรรมยังถูกต้องตรงทางเริ่มจากมโนกรรมม่ใช่วจีกรรมไม่ใช่กายกรรมมโนกรรมถูกวจีกรรมกับกายกรรมจะค่อยค่อยถูกตามแต่ถ้ามโนกรรมยังไม่ถูกยังไม่รู้ทิตรู้ทางจริงๆถึงแม้พยายามปรับเปลี่ยนวจีกรรม กับกายกรรมอย่างไรในที่สุดก็หนีไม่พ้นความขัดแยง้งแม้ถือศีลก็จะถือแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะยังไม่เห็นโทษเห็นภัยของการผิดศีลออกมาจากจิตเห็นแค่ว่าการผิดศีลมีโทษให้คนอื่นมองตัวเองไม่ดีเท่านั้น